กิจกรรมช่วงเช้าที่เราทำกันเนี่ยหวังว่าจะให้เป็นกิจกรรมประจําวันประจําชีวิตของทุกคนที่ที่ผ่านเข้ามาในเจริญสติแบบนี้นะในเรียกว่าในเวอร์ชั่นของธรรมาเท่านั้นนะในเวอร์ชันอื่นไม่เกี่ยวเพราะเอามาได้เห็นถึงว่ามนุษย์ร่างของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสมบัติที่มีคุณค่าสูงมาก แต่เราใช้มันอย่างไม่รู้คุณค่าซึ่งนื่งน่าเสียดายเพราะในร่างชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันได้เก็บเอาเมล็ดพืชพันธุ์ของบรรพบุรุษของเราอยู่ในนี้หมดเลยแต่เราก็ไม่รู้คุณค่าของเมล็ดพันธุ์อันนี้ซึ่งเราก็กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่รีบบางที่เสียบางเมล็ดพันธุ์ที่ถูกนอนถูกแมงเจาะ พี่กุลพีการไปตามนั้นแต่เราก็เลยไม่มีการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่ดีของชีวิตมาใช้เพื่อที่จะส่ง <c oughs> ถ้าเรายังไม่หมดกิเลสไม่ไปนิพพานได้ในชาตินี้นะเพื่อจะส่งต่อมเมล็ดพันธุ์ดีๆที่เราเราเก็บได้ในชาตินี้ให้กับอนุชนรุ่นต่อไปเพื่อเขาจะได้ไปทําเรื่องของมากลุลวิพานให้แจ้งในไม่ช้าในชาติต่อไปเนี่ยถ้า คนไหนโชคดีมีปัญญาดีก็สามารถที่จะทำให้มรรคผลนิพพานปรากฏในในชีวิตนี้ได้เลยนะเราไม่ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติซึ่งมันมันไม่สนุกเลยนะดังนั้นเองเราก็จะต้องดูแลร่างกายเนี่ยให้เป็นเรียกว่าเป็นปกติเอาไว้ให้มากที่สุด แต่ในส่วนที่เราจัดการไม่ได้คือในส่วนที่เราได้รับกรรมพันธ์มาจากพ่อแม่นี่เราเราได้มาอย่างไรก็ อ, อย่างนั้นเราได้ร่างกายนี้เป็นยี่ห้อรถอะไรรถเกง่งก็คือดีหน่อยเป็นมัสดาอิซูซูโตโยต้าบางคนก็ได้ร่างกายนี้มาเป็นลักษณะรถสิบ ล, ล้อมีพลัง อะไรช่วยคนได้เยอะนะดังนั้นเองเราจะปรับร่างกายเราจะสร้างบอดี้ใหม่จีใจใหม่เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องซื้อรถที่เขาผลิตมาเสมอไปเราอาจจะประกอบรถเขาเราเองใช้บ้างไม่ได้หรือนะเพื่อจะเป็นต้นแบบใหม่ให้กับอนุชนรุ่นต่อไปของเราเอามาคิดอย่างนั้นนะแล้วว่าสร้างมนุษย์พันใหม่ มนุษย์พันธ์เก่านี่มันสร้างกันมาแบบไม่มีเจตนาไม่มีความไม่มีการออกแบบแล้วแต่ว่าจะคิดกันยังไงมันสร้างมาด้วยอวิชาแต่ถ้าเรามาเข้าใจเรื่องวิชานี้แล้วเนี่ยทำไมเราไม่คิดสร้างกันในเรื่องมนุษย์พันธ์ใหม่ที่เรามีวิชานะเพราะนั้นเรื่องแรกที่สุดในวิธีการกราฐานาให้รู้จักรูปนามคือกายกับใจเนะี่ยว่ากายนี่เหมือนบอดี้รถทั้งหมด ใจก็เหมือนกับคนขับซึ่งเราจะต้องดูแลอย่างดีทีเดียวทั้งคนขับและทั้งตัวรถเองนั่นตื่นเช้าขึ้นมาเราบริหารท่าสี่ขันห้าไว้ก่อนเหมือนว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราจะออกไปทําธุระที่ไหนเนี่ยเดินทางไกลทางใกล้ดูแลรถก่อนว่าน้ําเป็นยังไงน้ามันเป็นไงน้ํา แบตเตอรีอ่เป็นยังไงช่วงล่างช่วงบนน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมัน เ, นนเฟืองท้ายไฟอะไรเป็นยังไงเนี่ยก่อนที่จะออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยมันก็ปลอดภัยเราก็เหมือนกันก่อนที่จะออกไปทํางานท่านนี้ถึงเย็นเนี่ยเราจะทํางานอะไรบ้างก็มีการแทนขึ้นมาแต่และงานที่เราจะทำเนี่ยจะได้ประสบผลสําเร็จแต่ละอย่างแค่ไหน ถ้าหากว่าร่างกายเราพร้อมจิตใจเราพร้อมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จได้เยอะกว่าโดยเฉพาะชาวพุทธที่เบตเนี่ยนะเขาภาวนาตลอดเวลาเราจะเห็นว่าเขาใช้รูปคำเนี่ยค้องที่มือนะชาวที่เบตนะเข้าไปที่ไหนเขาจะภาวนาตลอดแล้วเขามีการตรวจสอบตัวเองได้นะตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนักบวชที่เบตเขาจะตรวจลมปานก่อน ถ้าวันไหนถ้ามันอารมณ์ปรานเขาของเขาในโลงทั้งสองด้านเนี่เขาจะรีบออกไปทำงานที่สำคัญบางวันมันโล่งข้างเดียวก็งานอะไรที่ไม่สำคัญบางวันนี่มันโล่งบ้างไม่โล่งบ้างชนิดของงานก็จะต่ำลงมาบางวันมันตรมตันตีบต็นทั้งสองข้างเลยวันนั้นเขานอนอยู่กับบ้านไม่ต้องทำอะไรมีการตรวจสอบว่าความพร้อมของร่างกายอยู่ที่อรมปรานนะ เพราะฉะนั้ น, นเราก็ต้องศึกษาในส่วนนี้เข้ามาประกอบว่าลมปราณเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องกายานุปัสสนาในช่วงของกลุ่มใหม่ใช่ไหมในช่วงเย็นหลวงพ่อก็เอาม า, าถ่ายทอดต่อให้กับกลุ่มที่มาก่อนในเรื่องของการใช้อานาปานสติทีนี้ในคอนเซปต์ตอนเช้าที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นการาบวกกันระหว่าง ลมปราณออกซิเจนเลือดลมท่า4ีนะได้ครบเลยนะดินน้ำลมไฟเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราในส่วนลมปราณเนี่ยมีตัวปอดเป็นตัวรับออกซิเจนทั้งหมดใช่ไหมซึ่งตามหลักการแพทย์ก็บอกมีถึง300ล้านถุงในปอดทั้งสองข้างของเราเนี่ยใน300ล้านถุงเนี่ยมันจะต้องบรรจุเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มมันถึงสามารถที่จะเปลี่ยนเลือด เสียที่เรากินอาหารต่างๆที่นเข้าไปเนี่ยมันออกมาน้ําย่อยแปลงมาเป็นเลือดเลือดเสียนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นเลือดดีที่เอาไปใช้ได้ก็จะต้องผ่านการฟอกการเปลี่ยนแปลงดูออกซิเจนไม่แต่ในน้ำเลยไหมน้ําเสียเราก็เติมออกซิเจนทั้งวันที่สสมสินในเครื่องทํางานทั้งวันเพื่อเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ําออกซิเจนเป็นการดํารงอยู่ของของสัตว์น้ำฉันใดในร่างกายของเราออกซิเจนที่เราต้อง สูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยเพราะในชีวิตระหว่างวันเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราเติมออกซิเจนเขาเราให้เต็มที่หรือเปล่าเพราะเราเราสนใจในเรื่องอื่นหายใจแทนที่ถ้าออกซิเจนเต็มตลอดขึ้นไหมเขาว่าระบบลมหายใจตั้งแต่6หรือ7ยเจดหรือ9ดอย่างสูงก็ถึง12หรือ14แต่ที่เท่าทบค้นประวันเข้าเท่าไรออกเท่าไร เข้าสามวิออกสองวิบางคนเข้าวิออกวิอย่างเงี้ยมันมันออกซิเจนเข้าต่ํามากเลยคนที่ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายต่ําจะร่างกายจะเร่าร้อนแล้วก็เลือดจะเสียน้ําเหลืองจะเสียเพราะมันมันออกซิเจนไม่พอที่จะไเปลี่ยนได้อายุก็จะสั้นงานงานก็ไม่สําเร็จเพราะว่าอารมณ์มันร้อนมันแรงอารมณ์มันเสียบ่อยแล้วในเมื่อเราทํางานด้วยอารมณ์ แต่ว่างานที่จะผสมผสานมันต้องใช้ระบบสติปัญญาระบบสมองใช่ไหมเราไม่ได้ใช้อารมณ์นี่ถึงบอกถึงความแตกต่างของแต่ละคนว่าทําไมประสมผสําเร็จมากน้อยกวักนคนล้มเหลวตลอดก็เพราะว่าระบบของร่างกายเราไม่เคยจัดการวันๆเราพูดถึงเรื่องวันนี้เราจะไปทํางานอะไรที่ไหนไปกินที่ไหนไปทํางานกับใครแต่เราไม่เคยถามร่างกายของเราวันนี้มันต้องการอะไรบ้างออกซิเจนเท่าไหร่อาหารที่ปลอดสาพรพิษเท่าไหร่ แล้วก็ระบบเส้นสายในร่างกายของตรงไหนขัดข้องบ้างาหายใจลึกเท่าไหร่หายใจตื่นเท่าไหรแล้วตรวจสอบร่างกายของเราส่วนไหนที่มันขัดข้องเนี่ยตื่นขึ้นมาเคยสำรวจสิ่งเหล่านี้บ้างไหมวันนี้จะไปธุร l a c t ใครที่ไหนจังหวัดอะไรอำเภออะไรจะทําอะไรบ้างกําไรเท่าไหรอะไรพวกเนี่ยมันมันทิ้งเลยนี่เขาเรียกว่ า, าประมาทหรือเรียกวิชา คือไม่ไม่รู้จักสมบัติที่ตัวเองมีอยู่ไม่บริหารทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้ให้ดีแต่เราไปสแสวงหาทรัพย์ข้างนอกมาใส่ตัวเองแล้วทรัพย์ต้นต้นทุนของเราคือร่างกายเนี่ยมันมีค่ามหาศาลแต่เราไม่เคยสนใจมันเลยแต่ามาเพิ่งมารู้เรื่องนี้ตอนที่มาเข้าใจธรรมะเท่านั้นเองนะหัวร่างกายนี่มันเป็นที่เก็บหลุมสมบัติมหาศาลจากบรรพบุรุษของเราที่สืบทอดต่อกันมาในนามของดีเนอใช่ไหม เหมือนเม็ดมะขามเม็ดหนึ่งเนี่ยมันสืบทอดมาเป็นพันๆปีจนถึงปัจจุบันมันก็ยังมีมะขามอยู่ในเม็ดเดียวเนี่ยมันก็เกิดเป็นต้นเป็นแตกงอกออกรากกันมาจนถึงขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแั้วนั่นเองเนี่ยเราจําเป็นต้องให้ความใส่ใจต่อการพัฒนาและรักษาร่างกายามาเองถ้าว่ากรรมพันธุ์ที่ได้มาดีกว่านี้นะมาคุณจะทําอะไรได้มากกว่านี้เนะี่ี่กรรมพันธุ์ให้มาแค่นี้ก็ทําได้แค่นี้ ก็ยังดีนะทำอะไรได้บ้างแต่ว่าควรจะทําได้ขนาดนี้ก็ดูแลรักษาร่างกายเชอะหนักเหมือนกันนะดังนั้นเองเราก็ต้องมาดูท่าสีของเราว่าดินคืออาหารการกินข้อที่ใส่เข้าปากที่เรียกว่ากระวัลิงกระลาหันเนี่ยเราปลอดภัยแค่ไหนเดี๋ยวจะช่ออย่างยิ่งก็พระก็ลาบากตรงที่ว่าพระต้องฉันอาหารตามที่เขาถวายใช่ไหมจะไปเลือกไปสั่งไปอะไรก็ไม่ได้ แต่โยมนี่มีโอกาสเยอะเลยสามารถเลือกได้สั่งได้แต่พระถ้าไปงองแงเรื่องอาหารไป็ไงชาวบ้านเขาบอกพระนี่เลี้ยงยากไอ้พระองคนี้นะเราก็ลาบากใจแล้วใช่ไหมเขาจัดยังไงก็แต่ว่าเราเลือกได้สมมติว่ามันข้อดีอย่างเขา อ, อาหารขึ้นโตมาเก้าอย่างสิบอย่างนึงเราเลือกเป็นเข้าวกระทะกับขันของเราว่าเลือดเรากรุ๊ปไหนอย่ามากรุ๊ปเอบอย่างเงี้ยอาหารที่เหมาะกับเลือดกรุ่มนี้คืออะไร เป็นพวกผักผลไม้ปลาแต่มันไม่ชอบเนื้ออย่างเงี้ยแต่คนในกรุป o, ก๊ปโอเขต้องเนื้อลมไข่เป็นหลักไม่ค่อยชอบผักก็ดูกรุ๊ปเลือดของของตัวเองเราเป็นคนธาตุอะไรมาเป็นคนธาตุไม้อย่างเงี้ยธาตุไม้ไม่ชอบอะไรชอบน้ําใช่ไหมเป็นคนวันนี้คนในวันนี้เป็นนิสยยัยเป็นไงเลาร้อนหรือเยือกเย็นจิ่งเหล่าเนี้ยเราเราต้องดู ไอ้ตัวเองได้ดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกแล้วสามารถปลูกฝังสิ่งที่ดีๆเข้าสู่กายใจของตัวเองเนะี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงนะใช่ไหมเป็นหน้าที่โดยตรงเพราะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาสํารวจตรวจสอบก่อนว่าร่างกายของเราพร้อมไหมที่จะทํางานสําคัญในวันนี้วันนี้จะต้องเซ็นสัญญาอะไรกับใครต้องตกลงกับใครทั้งตัดสินใจเรื่องสําคัญอะไรร่างกายสติปัญญาสมองเราพร้อมไหมถ้ายังไม่พร้อมวันนี้เอาไว้ก่อน บอกว่ า, ายัางไม่พร้อมบริหารร่างกายพร้อมทั้งสองสงวัน <c oughs> เราเราเห็นในความสั่งขันในเรื่องจิตใจอย่างเดียวแต่ร่างกายเราไม่เคยไปให้เป็นตัวซัพพอร์ตด้วยตัวสนับสนุนให้จิตใจเนี่ยทำงานได้อย่างตรงเป้าและเข้มแข็งเนี <c oughs> เรื่องเนี้มาก็เลยว่าอจะทําังไงให้ญาติโยมได้รับอันนี้สง่งอันนี้ก็ก็ทําให้เกิดกับตัวเองก่อน ช่วงแรกกันออกอะไรช่วงเช้าเนี่ยามาจะศึกษาโยคะตระกูลต่างๆาเคยทาไทเก็กไปทาชีกงเอ่ทำยาทำเออยาทำออย่าทำเอ่าทำเออ่าทำ่างำ่าทำยาเอยาทำเอ่า่าอย่าทำเออย่าทำเออ่าทำเอย่าอย่เออยเออย่าทเ่าท อ, อ, อ, อ่าทำ่าเย่โทอย่าย่าทอเออยออยเออย่องทอ่เออยองทเยเอาท ย, เยท่เราเอย่ย่าทำ่เาเย่าา่่ย แล้วก็มาทําทําดูอันไหนที่มันร่างกายเรารับได้เราก็เลือกมาใช้อันไหนร่างกายเรารับมาได้ก็ไม่เลือกเข้ามาใช้บางอย่างมันหนักเกินไปตระกูลของโยคะล่าสุด ท, ที่มาทําอยู่บ่อยๆก็คือตระกูลวิญญาสักใคใครสนใจเข้าไปดูในวิญญาสาก็โยคะบางคนอาจจะทําแล้วก็ได้ v i n y a s a วิญญาสะโย ค, มนคนะมันก็จะมาเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนก็อยู่ที่อเมริกาเดี๋ยวนี้แพร่ขยายเข้ามาในเมืองไทย ก็ต่หลังมาก็นํามาผาสมกับท่วงท่าของหมอสักดา <c oughs> ได้ไ ด, ได้ทั้งพลังกายแล้วก็หมอสักดาเ น, นี่ยจะเน้นระบบการอาัดฉีดไอออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพราะการที่เราขยับแขนทั้งสองเนี่ยออกซิเจนเข้าสู่ระบบรักแล้หัวไหลแล้วก็สัมพันธ์กับลมหายใจที่ลึกออกซิเจนเข้าสู่ อย่างน้อยสาม้ล้านถุงเนะี่ยมันเข้าไปสัก200ล้านหรือสองล้านเนะี่ยก็ยังดีใช่ไหมแต่นี้300ล้านถุงมันเกิดเข้าไปแค่50ล้านหรือร้อยล้านอ่ามันก็ครึ่งเดียวหรือ150ล้านอย่างนี้นะมันก็เอซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งฟอกไม่ได้เลยถ้าหากก็เปรี่ยนเสมือนชั้นกรองนะกรองเลือดจากเลือดเสียให้เป็นเลือดดีเนะี่ยมันมีอ่าสมชั้นใหญ่ๆอย่างนี้นะชั้นละหน0่รล้าน สชั้นก็300ล้านทีนี้ถ้าเกิดว่าไส้กรองเขาตันแค่200ล้านทํางานไม่ดีมันก็ไส้กรองอีกชั้นหนึ่งก็ทํางานหนักใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ตันเหมือนกันเพราะมันทำงานหนักเพราะอาหารการกินอากาศอะไรที่เลยสูดเข้าไปโดยเฉพาะที่เมืองไทยเนี่ยกินตามใจคือไทยแท้ใช่ไหมเห็นอะไรของน่ากินหมดไอ้ตรงนี้มันก็ไปแล้วก็อาหารก็ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะ เพรเราซื้ออาหารกล่องบ้างอาหารถุงบ้างอาหารตามตลาดทีนี้คนขายอาหารนี่เขาจะทํานึงถึงความปลอดภัยของคนกินไหมเขาคิดเพียงแต่ว่าทําไงให้อาหารอร่อยเพื่อคนกินได้จิตใจเราจะซื้อเขาบ่อยบเท่านั้นเองนะอันนี้คือแต่ถ้าหากเราทําอาหารกินเองเลือกอาหารกินเองเนี่ยมันก็ปลอดภัยฝ่านะแต่ในเมื่อ ธุรกิจการงานประจําวันมันบังคับว่าจะต้องเข้าประชุมต้องไปตรงน้นตรงนี้ไม่มีเวลาที่มาปรุงอาหารเนี่ยเราจะทำอย่างไรนี่ข้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วผักไม้ต่างๆที่เขามาปรุงเป็นอาหารเนี่ยคิดไหมว่าเขาจะเอามาจากสวนที่เขาปลูกเองเพราะมันจํานวนเยอะคนกินเป็นหลายๆ ล, ล้านอะ่ะใครจะมานั่งเก็บผักในสวนมาปรุงให้เราใช่ไหมมันก็อาจจะมาจากฟาร์มซึ่งเต็มไปด้วยเนาะยาฆ่าหญ้าปุ๋ยอะไรต่างๆ เมื่อวานที่พระไปที่ชัยภูมิก็ที่ว่าไปาสวดไปดูแลเขาศยมอุปถากที่วัดเอ้ยยมก็สงสัยว่าเกศทาดีมาตลอดคนรักแกทั้งบ้านนะดูแลวัดอย่างดีแต่ทําไมแกตายไวจังบางคนเออเขาบุญเยอะก็เลยไปก่อนงั้นแต่ความจริงเบื้องหลังหารู้ไม่ว่าเขาทําอะไรมาเพราะเขาเป็นชาวไร่รับสืบทอดเขาเป็นลูกชายคนเดียวของชาวไร่ไร่เขาก็ เ, าเยอะนนเนยพ่อเก็บไว้เยอะ หน้ามันใส่มันหน้าพริกใส่พริกหน้าไส้ใส่ไส้หน้าข้าวใส่ข้าวหน้าข้าวโพดใส่ข้าวโพดทีนี้สิ่งเหล่านี้มีแต่ปุ๋ยยาข่าแมลงตลอดใช่ไหมมันก็สะสมเข้าไปในร่างกายปรากฏในครอบครัวนี้หลายตายไปแล้วสี่คนพ่อเขามีไร้เยอะใช่ไหมแล้วแต่ละคนก็คนหนึ่งน้องเขาไปตายไปหลายตายอยู่ต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศก็ไปหลายตายเหมือนกัน น้องก็ยังไม่ได้ทําบุญกระดูกร้อยวันเลยเอาพี่ไปอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือที่มาแต่เราก็บอกว่าผีแม่ม้ายผีเข้าบ้านกินคนไปโน่นอ่ะแต่เราก็ไม่ได้คิดถึงว่าไอ้พฤติกรรมประจำวันของเราเนี่ยเราได้สั่งสมอะไรไปในร่างกายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นํามากล่าวเบื้องต้นเพื่อให้เห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็น สมบัติมหาศาลที่เรามีอยู่เป็นต้นทุนที่สูงมากแต่เราเคยใช้ต้นทุนนี้ลงทุนไปเพื่อให้มราได้กําไรที่มีความสุขความสบายบ้างไหมมีแต่ว่าขาดทุนแล้วก็สูญกําไรต่างหาใช่ไหมขาดทุนก็คือร่างกายนี้เจ็บป่วยมีโรคไข้ขเจ็บเยอะแยะขาดทุนไหมแล้วกําไรที่ได้คือเป็นกําไรหนี้ติดหนี้หลายระบบ ติหนี้สากรอนนอกระบบหนี้เท่าแก่หนี้ธนาคารห น, นี้ไฟแนนซ์กำไรไหมเกินกำไรหนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อแท้จริงในชีวิตประจําวันของเราแต่เราทำไมไม่ไม่ทวนดูว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปแล้วหนี้เหล่านี้ไม่หลุดอะ่ะใครจะเดือร้อนอะ่ะคนรับมรดกใช่ไหมทุกต่ออีกเราจะรู้ได้ไงว่าจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมจะน็อกเมื่อไหร่เราไม่รู้เพราะฉะนั้น ทำานให้ตัวเองให้ปลอดหนี้ไว้ก่อนเนี่ยเป็นหลักก็เริ่มจากการไปพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งการตัดสินใจที่ดีเมื่อการตัดสินใจที่ดีแล้วมันก็พิจารณาดีว่าระหว่างไม่เป็นหนี้แต่ว่าใช้ชีวิตปอนๆสบายๆ ส, สมถะหน่อยไม่กินมากไม่ใช้มากกับเป็นหนี้มากมายแต่ว่ามีชีิตฟูก้าเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเนี่ยนะมันก็จะเกิดการตัดสินใจที่แต่ถ้าหากว่าร่างกายเราไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ดีแล้วก็ตัดสินใจเอา ตามเขาไว้ก่อนใช่ไหมให้มันดูส ง, ง่าเปิดเผยมีรถใช้มีบ้านสวยงามมีเครื่องใช้แต่ปรากฏว่า บ, บ้านแต่ละบ้านมีแต่คนใช้อยู่ทั้งนั้นเจ้าของไม่ได้อยู่เลยมัวไปทํางานนอกบ้านเพื่อเอาเงินมาผ่อนหนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านให้มันหลุดมาแป๊บเดียวมันนอนแป๊บเดียวเช้าไปอีกแล้วแต่คนที่ดูแลบ้านคือคนใช้ลาวพมา่าเขมรมีโชคดีกลับมาอยู่เมืองไทยเยอะแย ะ, ยะเลยตอนนี้เป็นเศรษฐีแทนคนไทยเลยทีนีน คนไทยก็หาเงินใช้นี่ต่อไปแตนหามรมวงหาค่ำแล้วมันมันสนุกนักเลยมันไม่สนุกเลยนะเพราะนั้นกลับมาตั้งปรับต้นทุนใหม่มาซ่อมทุนเสใหม่มาม า, มาแก้ไขทุนคือร่างกายของเราเนี่ยให้เข้มแข็งนะไม่สายถ้าเราเริ่มต้นแนละ้วไม่สายตอนนั้นเองมาเองก็เลยว่าจะทำอย่างไรก็มีทางเดียว อากุบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านบรณภาพไปแล้วก็เสียดายนะเสียดายว่าถ้าหากท่านเหล่านั้นยังอยู่เนี่ยเราไม่คงไม่ทํางานหนักขนาด น, นี้ใช่ไหมก็ต้องแบ่งเบาภาระกันไปท่านเหล่านั้นก็เลยเราก็ดูแลท่านไม่ได้ท่านก็ต้องอบรณภาพไปตายไปแล้วความรู้ประสบการณ์ของท่านตลอดชีวิตของการบวชในมหาศาลใช่ไหมอริยทรัพย์มหาศาลแต่ก็ตายไปกับท่านลูกศิษย์ลูกหาที่จะปฏิบัติตามอย่าง ต่อเน่งก็ไม่มากนะก็ไปจับไปข้างไปขึ้นหิ้งบูชาใช่ขอโชคขอชัยขอหวยขอเบอร์ไปนู่นเลยแทนที่จะเอาธรรมะที่ท่านสอนสั่งสอนมาปฏิบัติให้เกิดเป็นคุณสมบัติอริยทรัพย์ในตัวเองใช่แลวกลับว่าเราไปได้ในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านสอนนะดังนั้นเองอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะเน้นในที่นี้ก็คือว่า ทุกเช้าตื่นมาพฤติกรรมของกันกินการดื่มอาหารของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเริ่มเป็นตะวันตกมากขึ้นใช่ไหมอันแรกตื่นขึ้นมาต้องคิดถึงอะไรก่อนกาแฟเครื่องดื่มแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังไปนู่นเลยนะเออมันอะไรเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยผักกระถินยอดสวยๆที่บ้านผักบุ้งยอดงามๆที่บ้านผักตําลึงใช่ไหมที่บ้านล้วนที่บ้าน สวยๆทาไมไม่เด็ดกินแล้วเขียวกินกล้วยน้ําว้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องไปปรับใหม่นะปรับพฤติกรรมการกินใหม่ที่พวกกาแฟเนี่ยโดยเฉพาะในพฤตการของพ่อเทียนเบื้องต้นท่านจะต้องมาปรับเรื่องนี้ก่อนว่าร่างกายนี้รูปนํานี้มันมันผิดปกติถ้าขาดกาแฟขาดเครื่องดื่มขาดสารกระตุ้นแล้วเนี่ยปฏิบัติไปมันง่วงจะเป็นจะตาย เพราะมันเราไม่โดดมาได้เสพในสิ่งที่เราติดใช่ไหมได้วยสิ่งเสพติดน้ําชากาแฟบุหรี่แล่าเนี้ยเป็นสิ่งเสพติดมันเป็นสารกระตุน้นเมื่อเราไม่ได้กระตุน้นปั๊บในชีวใจของเราหมดพลังร่างกายเราก็หมดพลังเลยใช่ไหมง่วงทั้งวันไม่รู้สาเหตุง่วงหนักๆท่านบอกว่าให้ละสิ่งเหล่านี้ก่อนหมากพลูบุหรี่รน้ําชากาแฟ เล่าของมืึนเมาอาหารเสริมสิงกระตุนเอร้อยเอ็มสองร้ออะไรต่างๆนะีสารกระตุ้นทั้งหลายที่เราเราทานกันนะมาในหลายรูปแบบสารกระตุ้นเดียเ๋ยวนี้เครื่องดื่มแทบจะมีทุกอย่างสารกระตุ้นเพื่อให้สดชื่นเพื่อให้ตื่นตัวเนี่ยนะแต่ถ้าเราสดชื่นตื่นตัวด้วยการมีสุขภาพดีตามธรรมชาติเนี่ยจะยั่งยืนนะแล้วก็จะไม่พลังจะไม่ตก ดังนั้นเบื้องต้นในวิธีการของท่านท่านจะเน้นให้ทิ้งห่างสิ่งเสพติดต่วนี้ก่อนเบื้องต้นที่เราปฏิบัติเนี่ยขอให้ทิ้งอะไรเดี๋ยวนี้สิ่งเสพติดทางใจก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมโดยเฉพาะลูกหลานพวกเราติดอะไรติดเสพสิ่งที่ทางใจเข้าไปด้วยนอกจากทางกายนึกออกไหม ส, สิ่งทิ่ทางใจิตใจคืออะไรพว ก, กไพวกเกมใช่ไหมพวกเกมชนิดต่างต่างไลน์ เฟซบุ๊อกอีเมลหนังเอ็กหนังอาร์หลงกันไปอย่างเงี้ยซึ่งมันมันมันทำลายจิตใจลูกหลานทั้งหมดเลยแล้วคิดไหมว่าลูกหลานเขาที่เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อจากเราจะดีกว่าเราก็ เ, าเป็นเมล็ดที่ไม่มีสภาพรีบอ่อนแมลงกินแล้วเป็นเมล็ดที่ไม่เต็มลูกหลานของเราก็คืออนาคตของเราอ่ะเขาจะไปมั๊ก ทำมรรคผลนิพพานแทนเราไหวไหมขนาดตัวเราซึ่งเป็นเมล็ดต้นพันธุ์อย่างขนาดนี้ใช่ไหมแต่ลูกหลานของเราจะขนาดไหนนึกถึงความเป็นจริงเนี่ยน่าน่าพิตกมากทีนี้อันที่สองในวิธีการโคตเทียนก็คือเมื่อจัดการกับสิ่งเสพติดจัดการกับชีวิตส่วนตัวเคลียร์ได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยให้มาศึกษากายกับใจรูปกับนาม ว่ากายกับใจรูกปกรรมนามจริงจริงแล้วนี่เขาเขาเป็นของใครกันแน่นี้ได้มาเนี่ยเป็นของพ่อแม่เป็นของเราเป็นของสามีภรรยาเป็นของวิบากกรรมเป็นของบุญของบาปหรือเป็นของใครกันแน่แล้วก็ตั้งต้นตั้งต้นศึกษาชีวิตด้วยการเท่าที่มีอยู่ต้นทุนที่มีอยู่แล้วมีกายใช่มมีกายกายประกอบด้วยอะไรธาตุสี่ดิน น้ำลงไฟอันนี้ได้กล่าวไปวันก่อนนะถ้าสีเมื่อผสมประสานกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วกให้เกิดอีกสองธาตุคืออากาศาธาตุและวิญญาณธาตุเมื่อธาตุสี่ผสมประสานกันทั้งเป็นเป็นหกธาตุก็ได้เกิดขันห้าขึ้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมและในขันห้านี้เมื่อในภาคปฏิบัติไม่ว่าธาตุสี่ขันห้ามันค่อนข้างยา ยุ่งยากในการจดจําและภาคปฏิบัติท่านก็ให้เหลือแค่สองท่าสี่คือรูปขันห้าเป็นนามในนามรูปอย่างนี้นะให้เหลือแค่สองก็มาดูกายกับใจทีนี้ในส่วนที่เป็นรูปเนี่ยที่เราส่วนที่เป็นกายที่เราศึกษามเมื่อวานเนี่ยทั้งหมดมันมีหกทางแต่ว่าเราเพิ่งเรียนได้สองทางใช่ไหมทางลมปราณกับเรื่องของสด้วยนะสคือ อีดีบทสกับอีบทย่อยที่เราเรียนไปเมื่อวานแต่ที่นี้ก็ศึกษากันไปแล้วว่าอีบทสยังมีสบทย่อยมีนเจ็ดอะเงี้ยเราก็เอาไปทําเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ไปเรียนเพื่อจําเพื่อสอบนะแต่ท่านให้เรียนเพื่อเอาไปใช้ถ้าเราเรียนไม่ได้เอาไปใช้ในี่เสียเวลานะเสียเมมโมรีความจําของเราเอาไปใช้ โดยเฉพาะในวิธีการเคลื่อนไหวแบบมองพูเรียนเนี่ยเราใช้อริบทสี่และอริยบทย่อยเป็นหลักในส่วนอื่นเป็นส่วนประกอบแม้แต่อนาปาก็เป็นส่วนประกอบเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่เร า, เาสติใส่เข้าไปจากที่เราเคยหายใจสั้นก็หายใจให้ลึกก็เดิมเข้าเคยแค่สองวิเ็ให้มันเข้าสักสาวิอย่างเงี้ย ออกมันเคยแค่วิสองวิถ้ามันเป็น4วิอย่างเงี้ยพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้เราร่างกายเราดีขึ้นในแง่ของระบบระบบลมหายใจที่ระบบของอธิโบทสีนะอธิทบทสยืนเดินนั่งนอนนะทั้ง4อย่างเนี่ยให้รู้ชัดๆในการยืนเดินนั่งนอนรู้ชัดคือรู้อย่างไรรู้ชัดคือประกอบด้วย เงื่อนไขเมื่อวานมีกี่อย่างหใช่ไหมคําว่ารู้ชัดหนึ่งรู้สิ่งที่อยู่ข้างในรู้สึกข้างในเป็นไงขนาดเย็น น, ย น, น้อนอ่อนแข็งเครื่องตึงชัดไหมสอรู้ชัดในส่วนภายนอกภายนอกที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกิรติสัมผัสเนี่ยที่รอบๆข้างเนี่ยชัดไหมหรือมันเบลอหรือจําหรืออยู่กับเพื่อนแต่ว่าใจไปคิดที่ไหนไม่รู้อันนี้นอกเราเร า, เรารู้เออมันไปไป สรู้พร้อมๆกันข้างในข้างนอกอะไรเข้ามาทางกายก็รู้อะไรเข้ามาสู่จิตก็รู้สามรู้ทั้งข้างนอกหนึ่งรู้ข้างในสองรู้ข้างนอกสามรู้ทั้งข้างนอกข้างในสรู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นในกายในจิตแต่ละขณะใช่ไหมเย็นด่อนอ่อนแข็งเค่งตึงอันนี้ดับไปเย็นด่อนอ่อนแข็งเค่งตึงอันใหม่เกิดขึ้นมาความต่างระหว่างอันเก่าที่ดับไปของใหม่ที่เกิดขึ้นอันไหนมันเข้มกว่าอันไหนมันเบาบางกว่ารู้ให้ชัดอย่างนี้ 3ไอ้สิ่งที่มันดับไปแล้วนี่เสื่อมไปแล้วเนี่ยแล้วสิ่งใหม่ที่ตามขึ้นมาเป็นอย่างไรการเสื่อมไปของเวทนาตัวเก่าการเกิดขึ้นของเวทนาตัวใหม่และอันที่สี่นะเมื่อกี้สาี่คือการรู้ว่าสิ่งคืออันที่5รู้สิ่งที่มันดับไปเสื่อมไปหมดไปหายไปเมื่อกี้เรานั่งอย่างนี้แต่รู้สึกหนักใช่ไหมเพราะเราขยับหน่อยเป็นไง ไอ้โดนหนักหายไปไหมก็ให้รู้ว่ามันหายไปเวลานั่งลงไปใหม่มาเริ่มหนักใหม่ก็ให้รู้ว่าไอ้ความหนักกําลังเกิดขึ้นไอ้ความเบาๆ เ, าเามื่อกี้มันก็หายไปรู้ทั้งสองส่วนใช่ไหมอันที่หกก็รู้ทั้งสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของกายของใจเนี่ยรู้ชัดคือรู้อย่างนี้นะไม่ใช่ไปเพง่งโดยที่ไม่ไม่มีรายละเอียดไม่ใช่รู้ชัดว่าสิ่งที่ภายในเป็นอย่างไร ร่องโปร่งเบาสบายไหมภายนอกเป็นยังไงเล่าร้อนอืดอัดอากาศดีไหมคนที่จะถูกอากาศหนาวจัดคนจะไปหาความอุ่นตรงไหนดีร้อนจัดคนจะไปแอร์พัดลมที่ไหนดีก็ปรับเงื่อนไขาภายนอกข้อหานะรู้ทั้งโซนปรับทั้งสองส่วนปรับทั้งภายนอกภายในให้มันแมตกันให้มันสมดุลกันถ้าไม่แมตไม่สมดุลกันก็มีโอกาสที่แปรปรวนในร่างกายใช่ไหม ร่างกายของเราอุณหภูมิสามสถึงสาองศาแต่ข้างนอกมัน40อย่างเงี้ยไม่ไหวแล้ใช่ไหมหรือข้างในเราสามสามสิบแต่ข้างนอกแค่14องศา10องศาอย่างเงี้ยเราจะทำไงให้มันนี้ขึ้นปรับใส่กันนะรู้ทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกด้วยข้างในด้วยทั้ง2 อ, อย่างด้วยรู้การเกิดขึ้นรู้การดับไปด้วยรู้ทั้ง2 อ, อย่างด้วยรู้ชัดคือรู้สัก6ระยะที่เมื่อวาน ถ้าเรารู้อย่างนี้เป็นไงร่างกายสบายใช่ไหมปรับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสติสัญญายที่เราฝึกเนี่ยเพื่อไปปรับความชัดความคมชัดเนี่ยนะให้ให้ให้ดีถ้าสสเสเพียรสมือนทั้ง6อย่างนี้เป็นเลนสใช่ไหมเป็นเลนกล้องเ่ยมันก็เป็นหกล้านพิกเซลให้มันชัดเนี่ยแต่เราเคยสํารวจไหมว่า ทีล้านคืออะไรรู้ข้างในเซลล้านพิกเซลละเอียดไหมรู้ละเอียดไหมถ้าหากว่ารู้รด้ละเอียดพิกเซลมันก็สูงใช่ไหมพิกเซลหมายถึงจุดๆที่มันต่อกันที่ละเอียดมากอ่ะนี่ละเอียดนี่ชัดมากถ้ารู้ทั้งหมดชัดเจนปั๊บเนี่ยหมายความว่าประสาทการรับรู้ของกายพร้อมละพร้อมที่จะรู้รูปลู่น้ำได้ได้ตามความเป็นจริงนะอันนี้ในแง่ของรูปแล้ในแง่ของรูปในอียิปต์ ยืนก็ให้รู้อย่างนี้เดินก็ให้รู้อย่างนี้นั่งก็ให้รู้ชัดให้รู้อย่างนี้แต่ว่าไม่ต้องใช้สมาธิเพ่งให้มันรู้นะแต่ใช้สติสมิยะที่ใช้ก็ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรือหมาพร้อมทั้งข้างนอกพร้อมข้างในพร้อมกำลังเกิดพร้อมกําลังดับพร้อมทั้ง uh, ทั้งเกิดทั้งดับทั้งนอกทั้งในรวมๆกันให้ชัดเจนไว้เสมอ ถ, มมไงไง ถ, ถ้ามันไม่ชัดไปไงเวลาเราไปถ่ายรูปถ้ามันไม่ชัดไปไงปรับเลนใช่ไหมปรับเลนให้จากเบลอให้มันชัด เราก็ยังรู้จักวิธีเวลาถ่ายรูปใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นไงเป็นออโตโอ้โฟกัสตั้งไว้เสร็จเลยบรรยากาศแบบไหนมันเป็นเป็นปรับห้องมันเองอันนี้อันตรายเลยนะแต่ระบบร่างกายของเขามันไม่ใช่เป็นออโต้มันเป็นเมนูระบบรูปเนี่ยเป็นออโต้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันแปรเปลี่นตลอดเวลาค่าไม่คงที่คุณไปตั้งเป็นออโต้ไม่ได้แต่ถ้าระบบจีนที่ตั้งเป็นออโต้ได้เพราะสามารถทําค่ายคงที่ได้ ร่างกายของเราเ ป, ปลแปลวนตลอดทุกวินาทีอ่ะใช่ไหมไปตั้งออโต้ตั้งยังไงนะแต่ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนี้เรียกว่าให้รู้จักรูปตามความเป็นจริงให้รู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ชัดเขาเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งรูปและทั้งนามทํางานด้วยกันท่านก็เห็นว่ามันไม่พอถ้าหากว่าทำวิรยบทอย่างนี้มันก็ยังไม่ชัดพอให้มาทําิริยบทย่อยอีบทย่อยมีอะไรบ้างที่นี่ เดินหน้าถอยหลังใช่ไหมเหลียวซ้ายไายขวายกมือสร้างจังหวะหยิบหยับจับฉวยแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าห้องน้าห้องท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะ่ะอาบน้ำแล้วก็กันไปกันมากันหลับกันตื่นกันพูดแม้แต่การพูดก็ต้องรู้เลยนะพูดนี่อวยวะส่วนไหนมันมันกระตุกบ้างมันเคลื่อนบ้างเคยเคยตามรู้ไห เวลาตัวเองพูดเคยตามรู้มั้ยไม่เพราะเ่ข้อนชีวิตเนี่ยเราไม่เคยตามรู้ว่าระหว่างลิ้นฟีปากล่างกระ บ, บนเนี่ยเขาแตกกันยังไงเวลาเราพูดลิ้นมันกระดกอย่างไรเคยตามรู้ไหมเออเป็นธรรมชาติที่ที่วิเศษมากอชจิจรย์มากเลยนะถ้าหากว่านักวิทยาศาสตร์ไปออกแบบให้เป็นหุ่นยนต์แล้วก็พูดได้อย่างเราเนี่ยทำได้ไหม ไม่ได้แม้แต่ไอ้ล็อบบอตหรือไอ้หุ่นยนต์นั้นตัวเป็นร้อยล้านพันล้านก็ทําอย่างธรรมชาติเขาออกแบบมาให้เราไม่ได้อันนี้เนี่ยที่ว่าร่างกายของเราเป็นมีคุณสมบัติคุณค่ามหาศาลที่นักวิทยาศาสตร์เรียนแบบเหมือนเปี้ยกเนี่ยเป็นไปไม่ได้แค่ทําให้มันยิ้มก็ยากเลยใช่ไหมไอ้หุ่นยนต์เคยเห็นหุ่นยนต์ยิ้มบ้างหมไม่มีอันนี้คือสมบัติมหาศาลในชีวิตประจำวันของเราทําไมเราไม่หวงแหงไม่รักษา คุณสมบัติอันมหาศาลเหล่านี้ใช่ไหมอ่าดังนั้นให้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองว่าโอ้โหนับไม่ได้เลยนะอัปประมาณเลยนะนับไม่ได้แต่ทําไมเราใช้แลกกับมันเพียงบุหรี่เพียงเบ้าเออมวนเดียวแลกกับมันเพียงเหล้าเพียงแก้วเดียวใช่ไหมแลกกับมันกาแฟเพียงแก้วเดียวมันค่ามันแค่นั้นเหรอ ถ้าพิจารณาให้ละเอียดมันน่าสลดมากนะที่เราใช้ร่างกายของเราเนี่ยเราทําไมไม่หาอะไรที่มันเหมาะกับคุณค่าของมันเอามาสังเกตนะมาเป็นนักสังเกตว่าคนแต่ละคนเนี่ยเอ๊ะทาไมผิวมันต่างกันไอ้คนนี้ผิวหยาบคนนี้ผิวเนียนคนนี้ผิวดําคนนี้ผิวขาวนะคนนี้ผิวคล้าคนนี้ผิวใสคนนี้ผิวหมองคนนี้ผิวเหิวคนนี้ผิวตึงอ๋อมันบอกถึงถึงคุณค่าของชีวิตที่ เจ้าของดูแลเจ้าของดูแลผมเหมือนกันบางคนผมเส้นละเอียดบางคนผมเส้นหยาบบางคนผมชี้บางคนผมเนียนอะไรเงี้ยเนี่ยเออหน้าคือเอามาดูมนุษย์ในฐานะเป็นเป็นหุ่นยนต์ของธรรมชาติน่าศึกษาแค่ภาพตานี่เอามาก็อชศจย์ใจแล้วเนี่ยภาพตาขึ้นลงนี่นะต่หุ่นยนต์มาทำได้อย่างเราม มีอยู่ครั้งหนึ่งในที่เยอรมันามาที่น้ําบินแฟรงเฟิร์ดเดินเข้าไปเห็นผู้หญิงสวยเลยนะกําลังพูดว่าเออตอนนี้เครื่องนั้นจะลงเครื่องนี้จะขึ้นกรุณาไปข้างนี้ขาอะไรบงเนี่ยผ่านทั้งนี้ก็ไปขอถ่ายรูปทําไมเขาพูดดีแล้วก็สวยกันไปดูอ้อมไปอีกมุมนะอ้าวมันเป็นภาพแล้วก็พูดได้มันเป็นได้หุ่นนะนะข้างหลังมันคือกระดานแผ่นหนึ่งข้างหน้ามันเป็นระบบคอมพิ คอมพิวเตอร์ทั้งหมดทําได้เหมือนมากอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยว่าโอ้นี่คือมนุษย์หลงทางตรงนี้เองเพราะทําสิ่งที่เป็นรูปเนี่ยให้มันมีมีนามแบบเทียมๆแล้วออกแอคชั่นอะไรต่างๆใกล้เคียงทําให้คนหลงตัวเองแต่รูปนามที่ตัวเองไปจําลองไว้ข้างนอกแต่รูปนามของตัวเองกลับไม่รู้จักกลับละเลยนะเออเขาเห็นแล้วก็ เ, เห็นอันตรายนะ อันตรายโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยการทําเทียมเรียงแบบจีนนี่เงี้ยการเทียมเรียงแบบมีเทคนิคสูงมากนะดังนั้นเราเยอหลงประเด็นในสิ่งเหล่านี้ตัวเราเนี่ยไม่มีใครที่มาทําเทียมเรียงแบบได้เลยแต่ทําไมเราไม่รักษาให้มันมีคุณค่ามีความเข้มแข็งมีการใช้งานได้ตามต้องการทันทีนะแล้วไม่ไม่ใช้บริการสิ่งที่เข้ามาดูแลตัวเองข้างนอกมากเกินไป เวลาเราเจ็บป่วยเราดูแลตัวเองเป็นไหมเรานึกถึงใครเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานึกถึงหมอถึงยาใช่ไหมไม่เคยนึกว่าเราจะเอ้มันเจ็บป่วยตรงนี้จะแก้ไขยังไงเดี๋ยวนี้ออกมาคือเราค่อยๆเปลี่ยนนิสัยนี้มาแล้วนะเวลาเจ็บป่วยไม่สบายว่าจะแก้ไขยังไงดียมเคยนึกอย่างนี้ไหมนะคือคื อ, ค, อคือเริ่มเนะี่ยนั่งมาสองสาวันเรานั่งผิดท่าหรือออกกาลังผิดท่าไงเส้นตรงนี้มันพลิกใช่ไหม เราก็ามาหาสาเหตุทั้งมันหาไปหามาเจอเชาเนี่ยพอไปสะกิดตัวนั้นออกมันก็หายเลยน ะ, นะนเนี่ยลักษณะเงี้ยแทนที่เราจะไปซื้อยาพารามันนั่งกินแก้ปวดใช่ไหมอ่าเราแก้ไขตัวเองได้แต่ว่าทําให้บ่อยๆทํำบ่อยๆมันเกิดอะไรเกิดทักษะเกิด ค, ความชำนิชํานาญในการค้นหาสมุทัยของทุกทุกมีที่ไปที่มาความไม่สบายกายเป็นทุกทางกายเราแก้ไขตัวเองได้แทนที่เราจะซื้อยามาอ่ แม้แต่มามีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากตัวนี้มากา็หมอคนนั้นจะอาสาช่วยหมอคนนี้อาศาช่วยบอกว่าเดี๋ยวมาขอแก้ไขตัวเองก่อนอ ก, ก็ปรากฏว่าดีขึ้นหลายๆอย่างที่เขาบอกมานะแ ล, ลักษณะเป็นแก้ไขแบบธรรมชาติแบบสมุนไพร ล, ล่าสุดคุณมารีเอาอสีสหายมาให้ทานเออได้ผลนะาคุณมารีใช่ได้นะให้มาถุงหนึ่งเนี่ยห้ารอยเม็ดก็ รู้สึกดีสีสหายบางคนบางคนก็ได้รู้จักเนา ะ, อ, ะอันนี้ไม่ใช่โฆษณาให้เขานะแต่ให้อ้างถึงว่าการดูแลร่างกายเนี่ยมันมีสารธรรมชาติมากมายแล้วใครยังไม่เข้าใจระบบการ น, นี่ลองไประบบของหมอเขียวหมอนานคือกลุ่มไอโซหมอขดดินพวกนี้นะ เขาล้างพิษตับอย่างไรเขาทําด But yes. um ีทอกอย่างไรเขากินอย่างไรเขาอยู่เอามาใช้ในแง่ที่จะดูแลร่างกายเอาเอาเอาความรู้เอาศาสตร์ใหม่ๆทุกตระกูลที่เขามีอยู่เนี่ยเอามาใช้ยิ่งเดี๋ยวนี้ข้อมูลเหล่านี้ก็แชร์กันไปแทบทุกแห่งใช่ไหมในเฟซบุ๊กในไลน์เราจะได้เราจะเอาสักเท่าไหร่แลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาแต่เราเข้าไปใช้ในบริการในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับตัวเองตรงๆบ้างไหมไม่เป็นเครื่องสนุกสนานเสียเวลา ไปวันๆหนึ่งนะดังนั้นก็จึงอยากจะให้ของเราเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงแต่รู้รายละเอียดของมันด้วยรู้รูปคือรู้ถึงความชัดเจนว่าร่างกายขณะนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ะระหว่างสุขกับทุกข์อันไหนมากกว่าระหว่างความรู้สึกสบายไม่สบายเนี่ยอันไหนมากกว่าให้รู้แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ลืมๆไปเสียไม่ไม่สนใจ แต่แรงสั่นสะเทือนของความแปรปรวนที่มันสั่งสมออกมาเป็นกรรมเนี่ยเป็นกายกรรมมันไม่ได้หายไปไหนนะมันสั่งสมในร่างกายพอสั่งส ม, มเข้ามาเข้าร่างกายที่มันมีความเครียดคันเสี่ยนสั่นสะเทือนสูงเนี่ยเรียกว่าเครียดอ่ามันก็ทําให้ร่างกายนี้เกิดการบีบตัวลัดตัวหลั่งสารอะไรออกมาอะดรีนาลีนเกินจําเป็นออกมาก็าทําให้ร่างกายนี้กลิง ไม่ผ่อนคลายเมื่อไม่ผ่อนคลายร่างกายเกรงทัเซลล์ต่างๆที่เลือดลงไปไม่ถึงอ่ะเพราะร่างกายถ้ามันมันเก่งมันบีบตัวใช่ไหมเพราะบีบตัวเลือดลงไปไม่ถึงเมื่อเลือดลงไปไม่ถึงเซล์มันไม่ได้รับเลือดลมที่ถูกต้องไปมันก็ตายไม่ตายก็อ่อนแอที่ร่างกายของเรามัมีมีเซล์เป็นหลายๆล้านเซลล์อยเงียเง้ย ไ, ไอ้ส่วนไหนที่มันตายมันก็ไปออกมาทางการหับทายการหายใจ แต่ทีนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องการขับถ่ายเรื่องหายใจเรื่องอการขับของเสียในร่างกายเสียเหล่านี้ก็ออกไม่หมดพอเสียเหล่านี้ไม่ด อ, <c oughs> ออกไม่หมดมันก็ไปกระจุกที่ใดที่หนึ่งในร่างกายที่มัน air. อ่อนแอผู้ชายอ่อนแออยู่ที่ปอดที่กระเพาะทีะ่ตับใช่ไหมก็เป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ผู้หญิงไปอ่อนแอที่ไหนเต้านม อาอยุวัส่วนภายในเนี่ยก็เป็นมะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมตัดกันอุดตลุดเพราะอะไรเพราะความเครียดทั้งภายนอกภายในผสมกับสารพิษทางอาหารผาสมอารมณ์ที่มันไม่สมดุลกันเพราะฉะนั้นคนเป็นมะเร็งกันจึงมากที่สุดเป็นโรคที่ฮิตที่สุดบางทีทั้งครอบครัวนะเป็นมะเร็งทุกคนเลยนะอันนี้คือสาเหตุว่าเราจัดการร่างกายไม่ดีเขาเรียกว่ารูปโรคนามโรคไอความไม่สบายที่มันสั่นสะเทือนจากการ เคลื่อนไหวโดยหลักของอนิจจ์เนี่ยมันก็จะมีของเสียเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมาออกกาลังกายเพื่ออะไรเพื่อขับของเสียจากร่างกายทางเหงื่อดื่มน้ําเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อขับของเสียออกทางกระเพาะของเราก่อนที่จะทานอาหารใหม่เข้าไปเนี่ยอาหารเก่าที่ตกค้างเนี่ยต้องไล่ให้หมดบางวันดื่มน้ำสามสี่ขวดมันยังไม่ออกเลยต้องใช้ดีท็อกช่วยอ่ะต้องใช้ดีท็อกช่วย ร่างกายแล้วก็ปลอดโปร่งใช่ไหมสารพิษถ้าสมมุติว่าเราทานเอาไปทั้งหลายวันมันหมักในท้องของเราเนี่ยเป็นไงร่างกายแล้วก็มีเวทนาเยอะนะปวดเมื่อยโดยไม่รู้สาเหตเุง่วงง่ายเบื่อง่ายเซ็งง่ายหงุดหงิดง่ดงายมันมีผลยัง ม, มีผลต่ออารมณ์เพราะว่าของเสียมันยังหมักอยู่ในท้องของเราแค่ข้างๆบา้บานเราทิ้งขยะไม่เป็นที่แล้วมันเน่าเห ม, ม็นยังทนไม่ได้เลยใช่ไหมแต่อันนี้มันเน่าเหม็นในในกายเราอะ แต่ระบบมันป้องกันเอาไว้ไม่ให้เราได้รับรู้ตรงนั้นแต่ว่าเราต้องรู้จักนะดังนันการทำดีทอการล้างพิษตับอะไรพวกนี้สนใจเอาไว้บ้างนะแล้วออกกํลังายให้เหงื่อออกเงเพื่อล้างพิษที่ต่อมรนะ่างกายทั่วตัวดังนั้นการรู้รูปรู้นามแบบสมัยใหม่หมายความว่าทำให้รูปนามนี้พร้อมที่จะรับในสิ่งที่ละเอียดปราณีขึ้นไปเป็นการลด แรงสั่นสะเทือนของการทํางานของไตรลักษณ์ลงให้มันเย็นให้มันเรียกว่าขามดาวให้การสั่นสะเทือนอยให้มันอัพดาวอย่างนี้เลยแต่อย่างน้อยให้มันอย่างเงี้ยมันก็ยังสบายกว่าใช่ไหมแต่ของเราเวลาเราไปดูคนไข้โรงพยาบาลใช่ไหมไอกราฟที่แสดงผลแสดงมันวิกฤตมากเลยขึ้นเต็มที่ลงเต็มที่เนี่ยอ นั่นเองสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาสังเกตถ้าหกร่างกายของเราแรงสันเซเทียนแรงเครียดอะไรต่างๆมันน้อยมันไม่เครียดนะกราฟของมันก็แสดงผลที่สม่ำเสมอใช่ไหมัเป็นคลื่นเป็นอะไรต่างเพราะนั้นเอามาศึกษาสังเกตว่าร่างกายของเรานี่มหาศิจัญมากมันทำงานมันรักษาอะไรตัวของมันรักษาของมันได้เองแต่ถ้าเราไม่สนใจมันเราเอาอะไรใส่เข้าไปที่ ที่ไม่ถูกต้องตามระบบมันร่างกายเราผิดระบบนะฮร่างกายเขาเรียกว่า dysfunction dysfunction คือคือมันผิดระบบแล้วทาให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยเป็นโน่นเป็นนี่โรคไัยแค่เจ็บเต็มไปหมดถ้าเรายังไม่เข้ามาสู่สู่วิถีของวิปัสสนาแบบพุท ธ, ธะนะเอามาว่าเราจะเจ็บป่วยกันมากแล้วก็ไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยคนจะตายเพราะโรคระบาดแค่อิบูลาตัวเดียวแล้ก็เดือดร้อนกันทั้งโลกเลยใช่ไหม แล้มันเกิดหลายๆตัวล่ะแล้วจะหลบไปไหน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสั่งสมนะพิษภัยต่างๆไว้นในตัวเองดังนั้นตื่นขึ้นมาตอนเช้ายังไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรออกกําลังกายก่อนอย่างน้อยท่วงท่าเ น, นี่ยนะเอาไปทำแล้วถ้าหากว่าใครมีความสามารถจะบวกโยคะเข้าไปด้วยที่มาสาธิตอยู่ที่วัดธรรมเมื่อลกษ์ที่แล้วเนี่ยเอามาจะบวกโยคะเข้าไปแทนที่จะเป็นแค่ยี่เอ็ดมันกลายเป็นสนะี่สิบห้าสิบท่า โยคะท่าหนึ่งท่วงท่าท่าหนึ่งโยคะท่าหนึ่งท่งท่าท่าหนึ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในสื่อในเฟซทั้งหมดถ้าเราไม่ไม่ละเลยควนไปเนี่ยเราก็เอาบทเรียนเหล่านี้จากสื่อต่างๆเนี่ยมาฝึกฝนตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเรียนไปศึกษากับใครนะจากเฟซจากอีเมลจากเว็บไซต์เนี่ยมันมีข้อมูลเหล่านี้เพียบไปหมดนะ ทีในวิธีการว่าให้รู้รูปรู้นามแล้วก็รูปทํานํามทำเ่ยรูปมันทํางานอย่างไรให้เห็นมันนามมันทํางานอย่างไรคือใจเนี่ยวันมันทำงานอะไรบ้างมันคิดเรื่องอะไรบ้างคิดเรื่องสั้นกี่เรื่องเรื่องยาวกี่เรื่องเรื่องที่เราคิดเรื่องไม่รู้เท่าทันกี่เรื่องเรื่องที่เราคิดเรารู้เท่าทันกี่เรื่อ ง, อ, ง, อ, งอันนี้รูปรูปการทํางานของมันร่างกายของเราการเดินแต่ละก้าวการทําแต่ละอย่างเนี่ยสติที่ตามรู้เนี่ย มากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซนต์ต่อวันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามีการตรวจสอบแล้วรูปทำนำ้ำทำจากนั้นเมื่อเราทําถูกต้องรูปโลกน้โลกโลก็จะลดน้อยลงรูปโลกุกนือคือความไม่สบายกายไม่สบายใจรูปทุกนำ้ำทุกก็จะลดลงเราก็จะไปรู้ถึงหน้าที่ของกายนี้ว่าอ๋อมันเป็นไปตามระบบของอกลไกของธรรมชาติของจักรวาลคืออันนี้จังทุกขังหน้าตาและกลไกใ น, ในส่วนที่เป็นรูปเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎอันนี้ แต่ในส่วนที่มันกั้นกองในส่วนละเอียดที่สุดเรียกว่านามคือวิญญาณมันเคยทางานอยู่สองอย่างคือจําได้ไหมที่ว่า ม, ามื่ันก่อน <c oughs> คือเกิดกับดับแต่ร่างกายมีทํางานสามหน้าที่คืออนิจจังทุกขงังนาตาคือเกิดขึ้นแปลปวนแล้วก็สลายไปเกิดขึ้นแปลปวนแล้วก็สลายไปนะเหมือนคลื่นในทะเลบางวันก็คลื่นก็เกิดแรงบางครั้งคลืนเกิดค่อยบางครั้งก็สงบลงอย่างเงี้ย ทีนี้เมื่อเรารู้รูปทำนำทำรูปทำงานอย่างไรนำทำงานอย่างไรด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งกำลังของสติปัญญาที่ได้จากเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีความไวสูงมีความละเอียดสูงมีความคมชัดสูงนะมันถึงตามกันทันเพราะหะไรจึงไม่เน้นเรื่องลมหายใจเพราะลมหายใจหรืออนาปาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในอิริบทย่อยใช่ไหม แต่ถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นนิมิตกรรมฐานเนี่ยเราตามไม่ทันจะวินขอกระาที่ชู่วแนเราตามไม่ทันสิ่งที่มันเกิดมันดับมันปรเปลี่ยนเคลื่อนไหวแปรปวนในในรูปในนามเนี่ยไม่ทันแต่พอเราไม่ใช้กำลังของสติสัมผัสัญญะที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเนี่ยให้ให้ชัดเจนมันก็เพียงพอนะ พอวันหนึ่งเราเคลื่อนไหวตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับเนี่ยถ้าคิดเป็นพลังงานหรือน้ําฝนที่ตกเนี่ยยงว่าเยอะไหมฝนมันยังตกเป็นเวลาเป็นฤดูกาลใช่ไหมแต่การกระทบที่มันตกลงมาสู่กายสู่ใจเขาเลยมันมีเวลาไหมตลอดเวลาใช่ไหมถ้าเรานึกถึงน้ําฝนที่ตกลงมาไปกนก้นเป็นเนขื่อนเนี่ยก็ได้ไฟใช่ใชไหมแต่ถ้าเรานึกถึงพลังงานที่เกิดจากการกระทบร่างกายและจิตใจของเราแล้วมีสติเข้า ไปมีสมมติย์เข้าไปเป็นโมเนเตอร์เปลี่ยนแปลงพลังงานเคลื่อนไหวเหล่านี้ให้เป็นพลังงานรู้นย่เงี้ยทำให้เกิดปัญญามหาศาลเลยใช่ไหมคือแสงสว่างเหมือนกับเขื่อนที่ไฟฟ้าแรงสูงอะ่ะเขื่อนจุฬาพรนีน่สามารถผลิตไฟฟ้าแรงสูงส่งไปทั่วประเทศแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่พอใช้ต้องไปขอลาวขอพอมา่าข อ, ขอเขมรมาใช่อีกไปซื้อเข้ามาเราก็ <c oughs> <c oughs> เช่นเดียวกันเนี่ย เราติดตั้งระบบของพุทธเจ้าที่ท่านท่านค้นพบแล้วเอามาใช้ในรูปของวิปัสสนาให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยในส่วนรูปมันจะต้องเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังหน้าตาในส่วนานามมันก็เป็นไปตามกฎของขันห้าแต่ในที่มาของมันในส่วนานามคือระบบของการเกิดและการดับที่พุทธเจ้าค้นพบท่านเขียนเป็นภาษาบาลีว่าจุตูปปัฏยานจุติแปลว่าดับดับมาก่อนแล้วอุบัติ ถามว่าการเกิดกับการดับอะไรมาก่อนการดับมาก่อนแล้วถึงจะมีเกิดถามว่าในเนี่ยมันไม่มีแสงมาก่อนเราเข้ามาต้องการแสงใช่ไ้ยเราก็ามาเปิดการเกิดก็เกิดขึ้นแต่สิ่งที่แน่นอนคงที่ก็คือการดับการหยุดเพราะนั้นนี่ผ่านไปว่าอะไรไปว่าดับใช่ั้ยดับจากความเดือดร้อนดับจากกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ย เราก็เรียนรู้จากธรรมชาตินี้ว่าเรารู้อ น, นิจจังทุกขงกังอนัตตาเพราะรู้จักกายดีรู้จักอนิจจังนิขงังอนัตตาถ้าเราจัดการมันไม่ได้เข้ามาไร้ประโยชน์จัดการตัวเองร่างกายตัวเองไม่ได้ก็การรู้ก็มีประโยชน์อะไรแล้วรู้จักขันธ์ท่านห้าคือรู้จักใจของตัวเองดีแล้วจัดการจิตใจได้ตามต้องการได้โดยอาศัยหลักอะไรสถิติปัญสี่ที่เราเรียนกัน ด้วยสายหลักสติปัฏฐานสี่ถึงจัดการได้เราก็มาเจริญสติปัฏฐานสีให้เป็นนิสัยเลยเราก็สามารถแปลสภาพของอพลังงานต่างๆที่เกิดจากการกระทบจากการสั่นสะเทือนการแปรปวนของร่างกายและจิตใจเนี่ยให้เป็นกำลังของปัญญายาณเป็นกำลังของวิปัสสนาญาณญาปัญญาต่างๆทีอ่ออกมาใช้เป็นที่ทาให้เราเห็นร่างกายของตัวเองทุกระบบ ในเห็นจิตใจของตัวเองชัดเนี่ยอันนี้คือกาลังของวิปาาัสสนาญาณถ้าเราไม่ฝึกสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นชัดในส่วนห ย, ยาบๆในส่วนห ย, ยาบๆแต่เห็นชัดในส่วนละเอียดที่มาได้กล่าวไปเมื่อวานว่าตัววิปัสสนาญาณทั้งสามชั้นเก้าชั้น16ชั้นเนี่ยนเปรียบเสมือนเลนกล้องที่มีพิกเซลตามลำดับอ่าคุณค่ามันเท่าไหร่เนี่ย เราจะเห็นนะถ้าเปลียมเลีอยงที่เป็นรูปธรรมนะเราเขามาใช้กล้องจุลทัรศน์กล้องโฮโรสโคโปไมโ s สโคโปออกไปเรื่อยๆจนมาเป็นพิกเซลในปัจจุบันนะดังนั้นจึงอยากจะให้พวกเราเห็นความสำคัญของรูปและนามก่อนถ้าเราจัดการยงไม่ต้องนั่งเฉยๆนั่งฟังเฉยๆยงผู้หญิงจัดการเลยนะในความเป็นแม่บ้าน ผู้ชายต้องทําตามเท่านั้นนะแต่ไม่ถามเจ้าของว่าเขาต้องการจริงหรือเปล่าดังนั้นเองเราจะต้องเข้าใจระบบกายกับจะให้รู้เท่าทันถ้าหากว่าเราไม่จัดการเรื่องนี้ในชีวิตนี้เนี่ยยากที่จะหวังคนรุ่นต่อไปแต่เอามาก็มีความหวังอยู่อย่างหนาเดี๋ยวนี้เห็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาดีมีความรู้ดีเข้ามาศึกษาวิปัสนา อันนี้น่าอุ่มใจวันนั้นที่จัดอารม์ที่ถ้ำนี้มีหมอจากรลามาไปหลายคนมีคนหนึ่งคนหนุ่มชื่อหมอเจมเนี่ยแกไปทําอยู่สามวันแค่นั้นอ่ะแกเก็ตเลยแล้วเปรียบเทียบเขาเหมอนหมอจิตเวทเนาะเปรียบเทีย บ, ร, ยบระหว่างสติที่ตะวันตกอ่ะสติสมรยะตะวันออกเนี่ยต่างกันอย่างไรเขาบอกว่าสติที่เขาเรียนในแง่ของศาสตร์ต่างๆจากพวกจิตบําบัดพวกจิตวิเคราะห์พวกจิตตเวททั้งหลายเนี่ยเขาเรียนได้แก้ที่ผล แต่วิปัสนาของพุทธเจ้าแก้ที่เหตุนะแก้ที่เหตุคือหมายความว่าเวลาความคิดมันออกมาแล้วทําให้ความคิดเป็นเรื่องนั้นนีน้ปวดหัวสับสนเนี่ยเขาก็ไปแก้ยําไงให้มันสับสนน้อยลงแต่วิปัสนาไปรู้ว่าความคิดมาจากไหนก่อนที่มันจะคิดมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมก่อนที่มันรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวแล้วเอาความรู้สึกอีกชั้นหนึ่งเข้าไปดูความรู้สึกของสติสมญิที่พุทธเจ้าค้นพบเอาไป เฝ้าดูไม่ให้ตัวแปรปลนุนไม่ให้ตัวรู้ในตัวเนี้ยแปลงเป็นตัวเวทนาแล้วไปแปลงไปจิตและอารมณ์ตามระดับให้มันติดอยู่ได้แค่อย่างมากข้อเวทนาเราก็มารู้ที่ทานเวทนาเนาย็นแล้วอ่นอนแข็งเค่งตึงใช่ไหมแล้วก็ไม่แช่อยู่ตรงนั้นเราไปแก้มันออกเวทนานั้นก็ไม่บีบคั้นเราใช่ไหมที่ไปก่อให้เกิดความเป็น พอใจไม่พอใจก็ให้เกิดการปรุงแต่งในทางบุญบ้างบางบ้างกุศลบ้างอาสวะ ม, มันก็แปแปลไปตรงนั้นก็นกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวนี่ที่ว่าระบบพุทธศาสนาแก้ที่ต้นเหตุแต่ระบบของทางตะบนตกแก้ที่ปลายเหตุไปไปแก้ที่ผลจบไหมมันไม่จบมันก็ขยายผลออกไปเรื่อยๆต่อให้แม้แต่จิตแพทย์เองก็ยังเป็นโรคจิตอะ มาก็เลยบอกพวกเขาว่าถ้าคุณเป็นจิตแพทย์เป็นคุณจิตเวทถ้าคุณไม่เรียนวิปสัสนานะคุณนั่นแหละจะรับอารมณจิตจากคุณไข้ของคุณไปสู่ตัวคุณเองเขาตกใจใหญ่เลย <c oughs> ลเพราะฉะนั้นจะรู้ไปบอกรุ่นน้องๆพวกหมอที่เรียนมาแล้วเนี่ยนะถ้าไม่เรียนวิปสัสนาคุณไม่มีสิ่งป้องกันตัวเองหรอก <c oughs> อย่างหมอนวดเนี่ยต้องรู้จักวิธีป้องกันตัวเองใช่ไหมถ้าไม่รู้จักป้องกันตัวเองนะความปวดความเมื่อยของอีกคนหนึ่งมันก็จะไหลเข้ามาสู่เราเพราะฉะนั้นหมอรว่นก็ต้องเรียนวิปสัสนาด้วย ถึงจะมีวิธีป้องกันตัวเองแล้วก็ระบบจิตเวชจิตแพทย์เรียว่าไซโคเทอรปูปีจิตบําบัดนะฮะวิไซโครดจีจิตวิทยาพวกนี้ก็อาศัยตัววิปัสนาเข้าไปขาเขาเรียนรู้ในแง่ของมันเป็นศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่อาศัยรูปเป็ น, ปนตัวสื่อแต่ในวิธีการของพุทธเจาอาศัยนามเป็นตัวสื่อที่มันต่างกันเราก็มาแก้ที่นามด้วยการเจริญตัวรู้ที่เป็นนามเนี่ย เข้าไปแก้ตัวไม่รู้ซึ่งเป็นนามเหมือนกันเรียกว่าเจริญวิชาคือสติสัมยาปัญญาแล้วไปแก้ตัวไม่รู้คืออวิชาคือตัวอวิชาตันหาอุปท า, านแก้กันอยู่เนี้ยมันก็แก้ได้ต้นเหตุแล้วทให้เรารู้สึกสบายนะแก้ไขได้ที่ต้นเหตุก็เนี่ยคนหนุ่มๆอย่างเนี้ยที่ที่มีความมีศรัทธามีความรู้มีความเข้าใจใกล้เคียงกับพุทธศาสนาเขาเข้ามาศึกษา ข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดไปสู่อนุชนและถูกถ่ายทอดเข้าไปเปลี่ยนทฤษฎีใหม่ของการรักษาจิตของแพทย์ตะวันตกได้เพราะเขาจะต้องไปทำปริยาโทรบริยาเอกต่ออย่างนี้เป็นต้นซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ก็กระจายไปทั่วโลกดังนั้นเราหวังว่านคนรุ่นใหม่เขาจะสามารถที่จะเอาวิปัสสนาของเราไปใช้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน นั้นหมายถึงว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดมาในตระกูลสัมมาทิฐิมีโอกาสจะได้พัฒนาในเรื่องนี้ต่อแต่ว่าคนที่เกิดมาในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยมันก็ยากอยู่เพราะเขาไม่สนใจใ น, ในเรื่องรายละเอียดเหล่านี้เพราะนั้นเองถ้าหากว่าเราเป็นมิจฉาทิฐิมาก่อนพอมาผ่านระบบวิปัสนาอย่างถูกต้องเรามีการยณมิตรผู้บอกความจริงมีการได้ยินได้ฟังมีการ นึกคิดพิจารณาที่ชัดเจนถูกต้องมีการกระทําพิสูตรอย่างถูกต้องเกิดปัญญาใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิเป็นสมสถิฏฐิได้โดยไม่ยากเราจะต้องพบกัณยมิตรแล้วพบกัณยมิตรก็จะส่งปัญญาทั้งสาประ ก, การให้เราสุตตมัจญะปัญญาจินตามัจญะปัญญาภาวนามัจญะปัญญาเมือ่อไงเราก็เกิดศรัทธามั่นใจใช่ไหมก็ศรัทธามั่นใจเราก็เริ่มพิสูจรเริ่มทดุดลองเริ่มธทำมากขึ้นตื่นขึ้นมา ท่นที่จะถามหาในกาแฟอยู่ไหนหม้อกาแฟอยู่ไหนวันนี้จะทําอะไรไม่ได้ถามแล้วเกิดมาก็ตื่นขึ้นมาก็เป็นไงเตรียมตัวท่องท่าก่อนเลยนะแล้วท่องท่าแล้วก็เจริญสติกับการท่องท่ามีการเคลื่อนไหวเจริญสิการเคลื่อนไหวกับท่องท่าได้ใช่ไหมก็คือเจริญสติอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะโดยการใช้ท่วงท่าเป็นตัวนําการเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราทําท่วงท่าโดยไม่มีสติยึดตามรู้เนี่ย เราได้ประโยชน์ด้านเดียวคือรูปใช่ไหมนามไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเรามีการตามรู้เราได้ประโยชน์ทั้งรูปทั้งนามก็เราก็จะรู้จักบุญหรือบาบุญคือเราทำอะไรที่ไม่ไม่เกิดความสบายกับตัวเองเราทำให้เกิดความสบายกับตัวเองนั่นเป็นบุญบาปคือทำความไม่สบายให้แกตัวเองอันนั้นเป็นบาป เราก็จะรู้ต้นตอของบาปที่แท้จริงแเราจะยุ่นนรกสวรรค์ที่แท้จริงถ้าคนทุกวันนกลัวนรกแต่ไม่รู้จักนรกแล้วเพ่ปกลัวทำไมแต่ไอ้ความที่ความไม่สบายกายไม่สบายใจที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเรากลับไม่กลัวแต่ไอ้ความไม่สบายกายไม่สบายใจที่เกิดปัจจุบันอันนี้เป็นต้นเหตุของบาปและเป็นต้นเหตุของนรกแต่ความปลอดโปร่งลงใจสบายกายสบายใจเป็นต้นเหตุของบุญเป็นต้นเหตุของสวรรค์เป็นต้นเหตุของนิพพานแต่ต้นต้นตอมันอยู่ตรงนี้ ถ้าเราเห็นความสําคัญจุด น, นี้แล้วเข้าไปจัดการอย่างเป็นระบบไม่มีใครต้องการความทุกข์ใช่ไหมไม่มีใครต้องการนรกไม่มีใครต้องการอบายภูมิแต่ทําไมเรากลับทำแล้วมันกลับตรงกันข้ามระหวังสุขกับการเป็นทุกข์เพราะเราขาดอะไรขาดโยนิโสมนิสิการที่เราพูดมเมื่อวานขาดความแยบายขาดความถี่ถ่วนขาดความชัดเจน เพราะ น, นการใช้ชีวิตต้องมีลักษณะที่ถี่ถท่วนชัดเจนอยู่เสมอฝึกเอาไวา้ถึงแม้ว่ามันจะยากขนาดไหนฝึกเอาไวา้เลขข้อนี้ทําไม่ได้ก็ทําความเข้าใจแล้วแล้วแล้วทามาสักสิบครั้งเลขที่ว่าข้อยากที่สุดกลายเป็นง่ายแต่เรารู้มันยากเราไม่แตะไม่ใกล้มันเลยก็ยิ่งยากเหมือนเดิมเรื่องแก้ไขสุขภาพถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากสลับซับซ้อนแต่ถ้เาเราใส่ใจมันทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันเนี่ย อย่างท่วงท่าเนี่ยเร า, าเรียนกค่สองสาวันนี้ให้จำได้ทั้งหมดก็ยากใช่ไหมแต่ก็มีบางคนพยายามจำได้ทั้งหมดจำได้ทั้งหมดแล้วเอาไปทำถูกต้องด้วยมันก็ได้ประโยชน์นะดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงไม่อยากจะให้มองข้ามถึงชีวิตจิตใจของตัวเองมันมีคุณค่ามหาศาลเนะี่ยเราจะไม่ผูกโซมไวเกินไปเราจะไม่เสื่อมไวเกินไปในแง่ของร่างกายเอามานึกถึงต้นไม้ ที่มันอยู่ใกล้แม่น้ําที่เราให้น้ํามันเป็นประจำต้นไม้ตัวนี้จะมีการผลิดอกออกใบตลอดใช่ไหมมันหล่นใบก็หล่นไม่นานเดี๋ยวก็ออกผลิใบต่อแต่ต้นไม้ที่ไกลน้ําต้นไม้ที่ไม่ได้ลดน้ําอต่างกันใช่ไหมสุดชื่นได้ไมานานพอได้ฝนพอหมดหน้าฝนก็แก่ใบร่วงแล้วจากนั้นก็โกลนทั้งหลายเดือนเลยกูอย่าเจอฝนอีกแต่ต้นไม้ที่อยู่ ชายคลองได้แม่น้ำมันมันเขียวทั้งปีร่างกายและจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่ามันได้น้ำได้ปุ๋ยที่ดีตลอดเวลาเป็นธรรมชาติร่างกายของเราจะสดชื่นจแจ่มใสได้ตลอดเวลาใช่ไเราเราถึงนึกถึงคอนเซปที่เป็นรูปธรรมก่อนแล้วถึงจะมาจัดการในเรื่องที่เป็นนมามธรรมได้ถูกต้องนะแล้วก็ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นโดยไม่ยาก โยมซึ่งถ้าดีเอ็นเอมาดีได้กรรมพันธ์มาดีเนี่ยจะไปได้ไกลมากนะไปได้ไกลเอามาได้ดีนเอมาอย่างนี้กรรมพันธ์มาอย่างนี้ก็ยังดูแลปรับปรุงให้ใช้ได้ไประโยชน์ขนาดเนี้ยแต่โยมบางคนดีมากๆมีชาติกูลสูงมีความรู้ดีก็พัฒนาไปได้ไกลหลายเท่าทีเดียวนะแต่ว่าที่เราเปลี่ยนค่อนข้างยากคือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนใจ นะเปลี่ยนใจที่เคยชินอย่างนี้ให้มันออกมาเป็นอย่างนี้ใหม่เนี่ยตรงนั้นยากแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าถ้าหากเราทํำวิปัสนาเป็นประจําเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะง่ายๆตอนแรกเนี่ยให้เปลี่ยนท่าที่ไม่สบายให้สบายก่อนก็ได้การเปลี่ยนความที่ไม่สะดวกอะไรบางอย่างให้มันสะดวกขึ้นเปลี่ยนการทําอะไรได้วยความเคยชินให้มันรู้ตัวมากขึ้นให้เปลี่ยนตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเริ่มเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้เรื่องที่จะเปลี่ยน ใจรับสิ่งที่ดีที่ถูกต้องมันก็ไม่ยากละนะการเปลี่ยนสิ่งที่เราเคยทำผิดๆความเคยชินผิดๆการกินผิดๆการคิดผิดๆการพูดผิดๆการทําผิดๆมันก็จะเริ่มเปลี่ยนมาในฝ่ายถูกต้องมากขึ้นเพราะในพุทธศาสนาท่านเน้นสัมมาทิฏฐินะในมรรคมีองค์8ปดเนี่ยตั้ง8หรือองค์สบ เพิ่มสัมมาญาณสมาวิมุตต์เข้าไปเป็นองค์สิบแต่ท่านเน้นอยู่ตัวเดียวท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสภาวะทุกขลาภะจะคุ้ผู้ใดมีความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตคนนั้นจะไม่ทุกข์เลยแต่ทั้งอีกเจ็ดแปดตัวท่านไม่ได้พูดถึงเลยนะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวาจามาสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่ได้พูดถึงว่ามันจะทําให้ทุกข์หมด พราะตัวสมาธิิเป็นหัวขบวนถ้ามันหันไปทางทิศเหนือเนี่ยโบกี้ทั้งหมดก็ไปถึงเหนือทั้งหมดใช่ไหมถ้ามันหันไปทางทิศใต้โบกี้ทั้งหมดวิธกีโบกี้ก็ตามมันก็ไปถึงที่ใต้ร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นตัวสมาธิตัวคิดถูกทำถูกพูดถูกจึงเป็นหัวขบวนของชีวิตทั้งหมดจะสลับซับซ้อนขนาไหนก็ตามแต่ว่าคำว่าสมาธิิมันหมายถึงอะไรมันมีเดฟ i n i t i o หรือนิยามอยู่สประการหนึ่ง ให้เห็นความทุกข์ความไม่สบายของกายนี้ให้ชัดนี่เห็นถูกละแต่ถ้าเห็นเราเป็นนั่นเป็นนี่เห็นเราเป็นผู้ใหญ่บ้านกระนำให้เราเป็นครูบาอาจารย์ให้เราตัวเองเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้เห็นไม่ถูกถ้าเห็นถูกว่าร่างกายทุกคนมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นทุกตดเวลาสองความแปรปรวนเหล่านี้แก้ไขได้แล้วก็แก้ไขสามทให้มันแปรปรวนน้อยลงเรื่อยๆจนไม่แปรปรวน สรักษา <c oughs> ความแปรปวนที่มันไม่มีบางอย่างให้น้อยลงไว้อยู่สมงเสมอให้เห็นอย่างนี้ตามภาษาท่านใช้คําว่าทุกสมุทัยนิรุนมากใช่ไหมตามภาษาแต่เรามาแปลเสมอให้เห็นความแปรปวนในร่างกายตัวเองตลอดเวลาคือทุกสองความแปรปวนเหล่านี้มีที่ไปที่มาเพราะบริหารมันไม่ถูกใช่ไหมมีที่ไปที่มาสาม ถ้าบริหารต้นตอมันถูกมันเป็นนิโรธสีเมื่อเลหาถูกต้องแล้วให้บริหารไปเรื่อยๆอย่าไปทิ้งเป็นมักที่ต้องทำตามตลอดถ้าเห็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นสมาธิทิแล้วก็มันบูรณาการไปนในทุกปัญหาและทุกความทุกความลาบากข้าเข้าใจเรื่องเดียวนะ่ประการแรกต้องต้องจัดการกับกายกับใจตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเรื่องวัตถุอย่างอื่นเป็นเรื่องง่ายหมด แต่นิกายกับใจของเราเรายุ่งจากอยู่กับมันทุกวันเราเราจัดการมันไม่ได้เลยอะใช่ไหมเราจะไปจัดการอย่างอื่นมันได้ไหมได้ก็ได้ทุกข์กับมานั่นแหละนะได้ทุกข์กับมานั่นแหละได้แต่จะได้สุขได้ความสงบได้ความเยือกเย็นกับมันเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้น <c oughs> ในวันนี้จึงนําเรื่องนี้มากล่าวรูปนามแบบสมัยเราให้เข้าใจอย่างนี้แต่รูปนามของ หลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็ในยุค ข, ของท่านแต่ท่านอาจจะไม่ลงรายละเอียดในขนาดนี้แต่เพราะว่าเขาเป็นคนยุคใหม่เพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรต่างๆมันต้องชัดเจนให้สมกับว่าเราเป็นยุคเทคโนโลยีนุกไฮเทคอะไรก็ Hi Tech, แล้วลแต่แต่ให้ถ้าเรามาอยู่ในยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีสูงยุคไฮเทคแต่ว่าไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เลยสิ่งเหล่านี้จะกลับเป็นโทษกับเราใช่ไหม กามมมรมาย่อยาะมอมเมาทํราร้ายทั้งร่างกายจิตใจของเราให้เจ็บป่วยให้อายุสั้นลงเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ดังนั้นเองมาว่าตั้งสติกันใหม่นะตั้งสติกันใหม่ตื่นเช้าขึ้นมาออกกําลังกายก่อนล้างสารพิษล้างของเสียในร่างกายออกไปให้ได้ในระดับใดระดับหนึ่งแล้วเราจะจะมีชีวิตสดชื่น แจ่มใสทั้งวันการงานต่างๆเป็นไปด้วยดีมีผลตอบสนองการตัดสินใจไม่พลาดใช่ไหมอันนี้มีผลแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้จนเป็นนิสัยเนี่ยวงจรเดิมวงจรแห่งความเคยชินวงจรของความประมาทวงจรการรู้ไม่เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นะดังนั้นจึงขออนุโมทนาในการตั้งใจฟังและการที่จะตั้งใจนาไปพิจารณาศึกษาให้ได้ ในความเป็นจริงเพื่อคุณค่าของชีวิตที่เราได้มาโดยยากเนี่ยมันจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เราจะต้องพ้นจากความยุ่งยากและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยการทุกคนทุกท่านคือ